โมตตตาตัตวาโตอะระหโตสมมาสมุทตตาโมตตตาปะคะวาโตอะระหโตสมมาสมุทนาโมตะคะวโตอะระหโตสมมาสมุทนิมตะสนาเปรยัะสุขัสานิส สระกัจจามนุสตัโุทิดังนี้เต็มไปด้วยความมั่นสันต์สงบสุขในปัจจามาสพุทธเจ้าเป็นการเคื่อนพุ่ของโลหะคติในธรรมะกรรมฐางสองนั้น พวกนี้ทำให้ปฏิบัติไม่ประโยชตังในตักัรต่อไปวันนีสนับทางการสอนเขาไปหาที่เป็นส่วนเข้าใจเพราส่วนอื่นเขาเราก็จะรวมกันอยู่มาต่อเข้าใจ ในแก่ปุโรหิ เ, เรามีหลายๆทันที่ไม่เคยเข้าใจท่นเองที่ยในควาอยู่โดยลอดอย่างเมื่อคืนนี้ปาติ ส, นสุนธารมตัวน้าโยงกะกะเขาไปภาวนา 9, นถึงสวดธรรมเก่านก็รอดเป็นสิทธิขโมยที่เป็น โยมใหม่ก็มีเลยเก่วกัาว่ายังไงตุเก็ไปเรีนรู้ึสามาจากุวาจากแล้วด้วยนส่นตุเก็เป็นลูสศิของเราด้วยเรายากจะรู้ว่าตุเตเนี่ยอ่าได้ังง ได้ฟ <unlucky. S 2> ังมาโดยตลอดโดยเฉพาะมีเกลื่อนเกลื่อนของอย่างสติอย่างนี้อ่างัศน์ัย์ักษ์อย่างนี้เราจะคยยินดีได้ฟังมาโตลอดครูบาอาจารย์แนะนมาโดยตลอดโดยเฉพาะมีเกลือนเก่อขอต้อยู่ยตลอดอย่น้อยากทราบมาเราก็ชี้ไปหาอยู่ในคนนี้ เป็นผู้ชายที่วเวศรรรึกษารเราเยอะนะแต่ตปรมาณสักสิบปีก่อนมาศึกษาเนาะมาก็มาเรียนู้ศึกษาโน้นี้มาถามวัตติคืออะไรตอบไม่ได้วัตถติคืออะไรเอถามพระพัฒคืออะไรก็ตอบไม่ได้ สามสามคนไม่เคยคนไหนต่อได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าิดีเลยนะเพ<อ>ราะว่าพวกเราเพอยู่ด้วยอสตินะตวันนี้ชีวิตประจำวันจะต้องมีสติมัีโดยต่อแต่ว่าไม่รู้จักสติแต่บางที่ในจินดีรัมาเก่ง ม า, าอาารย์ก็อนมาเลยตรอดแต่ก็ไม่ไม่ค่อยไดไปจับลึต้นไปว่าสติคืออะไรไม่คำจำกัดที่เราสามารถมองเห็นได้แ ล, วล้วเออปฏิบัติได้สติเป็นจุดโค้จางหวไม่รู้อะไรี้ปไปต้องเรีพวกเรารู้ไหมสติคืออะไร แต่เราน้น้องท่นไมด้พูดเรื่องสตินะเราเลือกตัวเว่าสิที่ควรจะร้ไม่รู้อาวัชารู้ไม่รู้จักบอกว่าสติคือการรู้ตัววันนี้วันนี้มไม่ใช่มันใกลแต่มันไม่ใช่อย่างี้แล้วพวกเราคงจะรู้เป็นวันะอยารูันในคำพูดกันสตับสาันานเราพูดในอารมณ์ ้ฟังให้หน่อยสติเอ่อสติจำกัดคำนะนะปุถิดจาระจำกัดคำมาแล้วเกิการรู้ตัวเกิการรู้ตัวออจากอ่อการรลึน้อ่อรน้เกิดจากอะไร เราลึกลึกปวดจากรู้คือตัวเราเอง้้ตทอย่างไรก็พยายามแล้รู้เข้าไป่ตันรไา้ทีนที่มันต่างให้ลึกลู้นี่คือตัวรู้ ยกตัวอย่างเชนมื่อสภานาุทโธใช่ไหอาอะไรนี้อไรมันชัดทัดเลยพุทโธไมทัดเราจะทเอลใจอเราในที่นี้คือตัวรูน้นะเราในที่นี้คือตัวรู้ตัวรู้ก็เคิดนะปิดตัวรู้ปยญาใจ ตเดียวกันเราคยพูดแล้วก่อนใช่ไหคนร้ใช่ไหมคุณวหมเทสะออืมตัวดียกันนี่นะทีนี้เราไม่ใช้คำว่าจิตไม่เราไม่ใช้ครว่าใจรอบเดียวกัมามาจะใจก็มาตัวรู้นะเพราะว่าเราจะไปหาจิตถ้าไม่เจอถ้าเราเห็นตัวรู้ เราคอยทำตัวเชื่อว่าตัวรู้นี่แหง่ตัวรู้นี่แหละจิงเราไปหาใจธรรมะใจก็จะไม่กปรกชัให้ราเห็นเลนไม่เหใจแต่ไปเห็นตัวรู้เราก็ิดว่าตัวรู้นี่แหละวิญญาณคือข้ามรูปรงตรงแต่ไม่ตรงนีเลยตัองอา สมมติเราจะนั a, ่งเท่านะคราต้องอยากอยแค่นั้นอ่่าพนะเาก็ต้องเราอานคอแล้วนั่งนั่งาสมาับแล้วตัวอยากก็มตัวดูก็ใสหูระลู การที่ทำให้คุณหลงนั่นแหละในะที่ร ง, รงคือมีามีะเรา เ, รเินงตัวเร้ไปเรื่อยๆตัวที่เห็นงคตัวคือ่ต้ ต, ต, ต, นะตัวนมีมานย่างนั้นนนั่นตัวรู้ว่าเขาเป็นอะไ้วที่ราเริรู้นำสิที่ราเริรูน้รรนคือ เลี้วตัวรู้มัจะเป็นความายาวหนึ่งความสั้นของหงรู้ไปถึนะงนั้นตัวเรียนรรืองี้ก็ต้องเห็นั่นตรงนั้ทีถ้าเราอยากจะให้เราตอบกำหนดรวมกันเรต้องเรียนรู้ในลมเข้าลมในาต่อ นี่คือจะเราจะต้องมีสติอย่างต่อเนื่องคุณไงจนกลัวเราจะออกจากนั่นมาถ้าเรามีสติต่อเนื่องแบบนั้นไม่ขาดตอนกี่คน เ, เจ้าก็จะเป็นมุขสมาธิการลงมไม่ใจเวลาจิตมึนและอยากเข้าลงไม่ใจเพราเราอยากเห็นเ่นเดียวกันตัวรู้ก็ไปรั้ทราบเพราะนั้นแยละความหนั้นด้วยเป็นต้น นี่คือยกให้ฟังว่าสติอย่านี้สัมปทานยะล่ะสัมปทานยะคือการรู้ตัวสติเคยเรื่องนี้ได้สัมปทานยะคือรู้ตัวรู้ตัวตัวภูมิเป็นสิ่งที่ภูมิในทางข้งหนามมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์การรู้ตัวก็คือรู้ทั้งรู้รู้ตัวคือรู้ทั้งรู้ ถ้ารู้ตัวตัวคือร่างกายนะนะประเด็นนะตัวคือร่างกายไม่ใช่ตัวคนอยื่นนะรู้ตัวเราการรู้ตัวประมาณที่สัมปานนี่คือการรู้ตัวรู้ทั้งรุดรุนของกายรู้ของกายให้ดูถ้าเราไปสูลมหายใจเข้าออกเป็นส่วนหนึ่งของกายทะเลมารู้ในกายกายแตกายถ้าเราไปดูกระดูกดูขนเล็บอะไรต่าง ก็เป็นส่นองกายคือความรู้กายในกยแต่สัพพัญญา t h i คือรู้ตัวตัวในที่นี้คือกายขึ้นมานั่งอยู่ก็ไดทีนี้เรารู้ตัวเนรัตัวไหอันเปติตัวก็มีคือสัพพัาทำตัวสัพพัญญานี้คือตัวสัจจาวัตถุปัจจัก ข้าพเจ้าติดในปัจจ e. ันเราอยู่ในปัจจุบันทก็นต้องยู่ในปัจจุบันปัจุบันคือสัมปัการตัวคติก็ะชัยตัมันคตินเรียบร้อยู่แต่ตตัวไมารือเรียอยเหมัอนกันแต่เริดมจะมองยัง่างนีอยงนดตัวตัวเราเอ้า ที่ตังอยู่เมื่อกีนี้เขระโทจริงอยว่าผมไม่เห็นความรู้สึกทัก้งหมดไม่เห็นผเห็นแต่ส่วนในส่วนของตัวอ่อเราก็เลยบอกว่าเราเหมือนกับเราเอา่ามีสุนส์ูสูกลารอยู่กำหนดราคเราะจะุูนย์การอยู่ระหว่างหน้า ทีนี้เรารู้ได้แล้วเรารอรับรู้ขั้งส่วนของกายได้ไหม่อันนี้คือตัวทุกสิ่งทุกประการต้อง vergessen. ทำต้องฝุกต้องทำทำในฝึกในงานที่ต้ไปฝึกของทุกสิงทุกอย่างนั่นแหละมาพัฒนาไปในเรื่อทีเราก็เข้าไม่ถึงทั้งที่เอยู่ที่เราชาเปนพะเจ้ายผ่นดนะ จุดศูนย์กลางควรดูอยู่ที่สะโพะหน้าใบหน้าเสร็จแล้วเราก็ดอดกำหนดนยเราก็จะเห็นทั้งหมมือเราอยู่ตรงไหนมือนี้อยู่ตรงไหนน้ำมันอย่างไรพฤติกรรมทางกายอยู่ยังไงถ้ามีการเคลื่อนไหวถ้าจุดศูนยกางในตรงนี้เราก็จะเห็นออกเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวของกายนั้นก็คือควารู้ การเป็นหมายนะั่นก็คือธมะสัญเป็นปิัติปบัติทีจนี่คือปฏิบัตอันนี้จบนะปรนะ <c oughs> ์ะจนะปสังณคือต้องรู้เรื่องที่ที่ตัวเราอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้งต้ององอ้งสิ่งาๆที่จะรู้อ่ทาทำอย่งนี้ก็เสร็จแล ในอารมณ์เราจะพูดถึงอารมณ์ในการทำบทเรียในเรื่องจิตอะไรต่างๆนานาแบเ้นการอารมณ์อารมณ์คืออะไรพจะตอบได้ไหมกาอารมณ์คืออะไรถ้าไม่ถามนี้เราถ้าพูดเฉยไป เดี๋ยวพอจบไปเฉยคนฟังไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าพูดอย่างนั้นแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกับตีกรูตีจริงจริงสมันีพูดละเียดเร้วเข้าใจเข้าใจถ้าคนฟังเข้าใจนี่เราสามารถรูะได้ความรู้สึกในช่วงอารมณ์ตกหน้กใชไหมมีคำตอบไหมก็เป็นอรมได้ รู้สึกในชั่วเข้าไปางได้ที่มาตะโกนใ่ก็แต่วา ม, มันไจะมันมันมันมันมันไม่ใช่คำต่อากคำเพรามันมันไหลไปได้ทั้งเลือดตลอดร่วในช่วนี้ก็ไหลไป ต, ออตอ่อ่อ่องรของลงก้องันออ ใช่อาการท้องผที่เกิดขึ้นจากจิตและธรรมน ะ, ะถ้าพูดกันตรงจะจากธรรมอะไรอารมณ์เกิดป็นจิตที่ทุกรู้ถ้ามีการทุกรู้เราก็จะไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรต้องมีตัวอารมณ์นะนะอารมณ์เกิดจากอะไร อืมใช่อ่าใช่ก็ถูกต้องนะนะพอดยังไงก็ถูกแต่แต่ไม่ถึงกายกมือที่โผล่หลัิงที่มันตรงไปกว่านั้นมันไม่อยู่นั่นมีตรงเลเลยอารมณ์เกิดจากอ่าต่อไม่ยกมือก็ม่ยกเลยอ สิงเหล่า้เกิดขึ้นมาจากความเป็นชีวิตนะคืออะไรนะต่างๆเรานี่ตัวโรคมอะไรต่งๆที่ว่าที่เราจะคุยกันต่อไปนะเกิดจากวาเป็นชีวิตถ้าไม่มีชีวิตจะไม่มีสิ่งที่เาีฉะนั้นเพื่อให้การคุยกันปฏิบัต่อทำคามเข้าจใสัจเดิ่งจจกก น, น้อมธรรมวิจารธร ก่อเป็นมันต o นใช่ไหมอ่าชีวิตคือคุณพ่อเราโยนมาคนเด็กนี่อาจจะโยนนี่ก็คือการตัดหางเพื่อที่จะ้าชีวิตคือฮะมันก็ใช่แต่ว่ามันไม่ตัดคำอ่า มันก็ว่าที่วารูปนนโพสิ่งโพนะ <laughs> สิ่ง น, น, นี้ะนะจ๊ะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะราะฮะะฮาฮะฮะปปตตะฮะฮะฮะะฮะฮะฮะฮะฮะฮะะฮะฮะะฮะฮะฮะนะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮปฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ มันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่มันเอีย ง, ยงถูกมันเต็มร้อยร์เซีนววนคือรวมาาร์์ตัองูแล้วเป็นการกับจำแต่คำไม่มีคำไหนที่เป็นเรืเร่องเละได้เลยะชนิคือรวมมาร์เจต์เลนะมาณั้นแล้วเหนะ ม, <c oughs> มือนกับควา่าจริงเนี่ยรัรา น, นคืออะไร เขาจะตอบเยอะแยะไปแต่ก็ไม่มีคำตอบที่ตกแล้วก็ตกมีคำตอบอื่น ท, ที่ดีกว่ามันมที่เด่นเกิดชีวิตชีวิตคือลมหายใจลมหายใจเป็นจากที่มีชีวินี่มาเาไ่มาวยกำลีและกาชั่วของเรานะถ้าไม่มีกำลีและกาชั่วไม่มีือสมองของใจ การชีวิตก็จะมันเกิขึ้นในชีวิตนี้มีอะไรเ ร, รียนตอบยังไงอันนี้ก็าควรจะดูนะ5ปในกระโก็ใช่ไม่้ใช่ไม่โต้ยังไงากระทำตัดตาวของเรามันก็ใช่ใช่เหอกนกแต่ว่าไม่ตรงกันะอ่ ท่านพูดง่ชีวิตมีหัวประกอบอาการชุดโครงต้นชีวิตคือใจีประกอบอยู่องนปกายสอปนใจนันจะเข้าไปมันจะไปรมณ์ มีสส่วนประกอบกันมันเกิดมาจากอะไรเป็นมาจากพันดีกชงเราข้า่อเราพูดเรื่อมันเฉยๆทดลองในความในข้าว่อได้ตอนนี้นได้พูดไหถ้าพูดอย่างนี้มันเฉยราก็ฟังพืูนนถ้าพูดอย่าง น, นี้มันคข้าวต ในส่วนประกอบใสองส่วนตายปจัปจปจกายมาจากอะไรใจมาจากไหนเนี่ยเราก็ต้องมองต่อไปนิดนึงไงเพราะอะไรเพราะเราต้องศึกษาคาสอนของหลวงสุตติพสนาอาารย์ ส, ส อ, สอให้ทำความเข้า ใ, ใ, ใจในจิตเจตจิตก็มีองค์ประกอบสามจอมากทีเดียวยินทั้งเจตจิก็อยู่ในสองส่วนนี้อยู่ในส่วนเดียวละไแต่แว่ามันโอมกันอยู่มันบอกกันอยู่ อย่างกายนี่แหละมาตัวไปยึติดเราเป็นเราจไปทุ่มเทตัวผิดไปยึดติดแต่ต้องมีง planet, ตัวมีกายที่ก่อนนั้นถึงจะเป็นตกายสัมปันกันไปนี่คงเป็นอย่างนี้องค like ์ระต่อเพื่รนสอ่วนมันเกิดมาเกในธ์ก็แลนี่ก็เป็นอยู่ตรงนี้ก็อืม เกิดตอนเราเกิดมาเป็นนที่วิญญาณตัวรู้ตัวเดียวตั้งแต่ไหนแต่ใดมาตัวเดียวมตัวเดียวัแต่ไม่สามารถที่จะบอกไมเป็นอะไรมันมายไรู้นี่นะพระพทมเลยพว่ามันเป็นอาชีพตามันนานเเคยได้ยินไม่ใช่หรือว่าชีวิตหนึ่งของแต่ ระดูดที่มันเป็นร่ากาเนี่ยท่านบอกว่าใช่แต่ดูถ้ารวมๆกันภูเขาส่วนใหญ่น่ายังน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นคามโสตเศร้าทศกตาุ่น้ำลาอน้ำน้ำตามหามุทยังน้อยอย่าที่ที่มันไหลออกมาเียงร้องให้เมื่อเกินการพักา ก็อกใจตันตาณาใช่ไหมตัวคนตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวมาทำอไ่นี้เกมาเป็นคอจริงอย่างนั้นเลในขณะที่มันเกิดในพวกเาชมันทาคนดีรืคชั่วไปร่อยแล้วมันก็สะสมคนดีเื่อวมชั่วนั้นด้วยต้รู้นัเนน่เก็บสะสมคุญแจความดีเก็บสะสมคุามไม่ดี ที่เราทำมาทั้งวันแล้วในกั น, เ, นเดียวกันมันก็ไปครอเจ้าคนอบมีเรื่องโปรดชั่วที่เกิดงามที่ทำเรากระทำไปนั้นมันก็จะเข้าไปครอบเจัาตัวรู้ตัวรู้ของของของวกเราเราในที่นี้เกิดความรู้นั่นนะ <c oughs> ของเกิดความรู้นั้นให้เปไปอยางนั้นสมมว่าเราทำผิดอะนรไปไหม แล้วทำธุรกิจของเราเนาะไปที่จะทําตนุ้กๆในปุถุพราะเห็นโทษใยการเห็นว่าตายหึือตัวรู้ก็นํำตายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาจนเห็นว่า่ายไม่ใช่เราเนะาะกระจายนิจดได้การพิจารณาการให้ควรให้เห็นว่าตายไม่ใช่เราเห็นาสัตว่าระท่าเนี่ยเราต้องเต้องพิจารณาอาการของตาย สามสิบสองอยางหรือพี่นาจน่ายที่เป็นส่วนของธาสิตีนน้ําลงไฟให้เห็นว่าสิ่เหล่านี้ไม่ใช่เราแล้วไม่ต้องบอกมัมนมำน้ำมา่นานั้นแล้วเราไปเห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆเรารู้เห็นว่าไม่ใช่เราริงๆของู้ที่ได้จากการใช้ปูนนั้นนะมันเจ็บน้นในขณะเดียวกั น, กนมันก็ไปถ่ายเอ่อตัวรู้น้นะให้เข้าถึงสตัวเา หากเครก็จริงๆอาอันนึงไปมีคนช่วยก็ใช่เหมือนกันเราทำปันใจครั้งท <one> <they> <there> ี่หครั้งที่สครั้งที่สมตัวรก็เจ็บเนคนช่วเหานั้นไปด้วยในขณะเดียวกันคนช่วเ่านั้นมันก็ไปปลอบเตาตะวันสัญญาของผู้ตอบให้เป็นคนสลายมีจิตใจหัวเที่ย มีก็ความประคฤติคนดีเขาทำไมมันไปก่อจกนจะเป็นนนจริงๆมันเป็นอย่างอ้าวฉะนั้นมันเป็นงานอะไที่ตรานี้เมื่อเป็นงานมาแล้วอเพราะเรามีอัมชายังไม่ถึงเวลา กราทำสถีติเราพูดเลยไปให้ความได้เจมันยังไม่ได้ลามันต้องเกิดและต้องมีเกิดอย่างนี้อย่างเงี้ยเวลาสามีภริยาอยูร่วมกันนวีครับในหน้าที่ผมเป็นสามีปริญาแล้วอยู่ในวัยที่มีลูกและต้องมีตัวรู้เนี่ยตัวรู้เราเนี่ยต้องเข้าไปปฏิัตสี ปมีการเกิเรข้าไปเิิการภาาโดยจึงจะมีการเกิดขึ้ถ้าม่มีการปฏิสมันธมันก็ฟอกมันไได้ทำามตอิสนกนและตนี้ตัวปฏิสนธวิญญาณตรวเนี้ยก็เตัวรู้ดิวิญญาณนรก็ตัวร้ปฏิสมนธเกิด กันเป็นแบบนี้เราไม่ไดเรียนปรีนะไอ้เราถ้าเรารู้รู้นี่แล้วมันก็มาเกิดในครรภ์มันก็เจ็บในคนดีในคนชั่มาด้วยและคนนองคนดีที่มีอยู่ในโนันนะที่อยู่ในครรภ์มันก็ไปโตแตกร่างกายของให้ร่างกายของพวกเรเนี่ยมันมีข้เก่งอนนะคนดีหรัวี่นี มันไปตกแต่งมางกายของเราให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามคำสั่งหรือตามช่วหนังในเรื่องของร่างกายถ้าของชั่วจะไปทให้ร่างกายของเราขาดอาการน้ำจะสองทกอ่าม่เนองอย่างาอย่าตเป็นเป็นงานแล้วข้อระวังตงเป็นอย่างไรด้ยจรด้วยเป็นไปตามคำอย่ีงนีนย ที่คู่เหือนี้ก็เพื่อโปรยหลีหลักคำตอบของท่านอรมัยสมิตาปตกไปอานีแต่ว่าเราไม่เห็นนะต้องมีคนมาคู่กันฟังาจารย์สมัยกเข้าไปดูนะเข้าไปดูตอนน้ก็เขไปดูมันก็ไปตกแต่งอย่างเงี้ยครบดีไปตกจบแล้วควรเสียดฉลาดข่มง้ในตัวรู้ก็เก็บนำาเสียดูไ เด็น ก, กนะครวาเยัคมกสวองมันด้นดนวยไม่ใช่มาเฉยๆดูเด็กมาเลยอย์ะกวาัยาสตบว่าสมองเป็นผู้สร้างความรู้สึกในจิตเราฟังคนอื่ก็น่าจะใช่นะใช่ไหม <c oughs> ความจริงแล้วสมอง ก็ตัวรู้เป็นของสารที่เข้าไปอยู่ในกระดนตัวรู้ตรงนั้นมันไปทางสมองคนมีสติปัญญาดีก็ท า, าสมองก็เป็นสมองที่เรี่ยวคิวดีเรคิวสมันเป็นเครื่องคงมอ bon, งมุุลเทอะไร ต, ต่างๆคนคน้นไม่มีโกงช่วในด้านของคนเจิญชราเป็นคโง่ ไปดื่มจุฬามั่ไปูบยาบ้าบ้างไปอะไรต่างๆานันเป็นส่วนหอีกส่วน o นึ่งต้ p e เป็นคนไม่ค่อยไถ e ควรไม่ค่อยไปนินาพอนอนเออมหวานยังไม่ถึงก็หลับไม่ค่อย่รไเรื่อาอยงกรณีพวกเราเจอนี้เานี้ก็เลยคิดอะไรเลือเขาเป็นเรื่องคู คงคิดตรงอะไรนี้มาเลยเป็นช่างคนจิตะไรปคื่อวันเดินนนี่ระดับลยมันาจะทยอย่างนน ค, คนคือแต่ไม่ได้ว่าใครนะนีคือเป็นคนที่ชอบ้ิดัญญาใวนะหรือมต้องการสร้างปัญญาตหนีอยนชบพิจารณาบ ที่คในไใด้บบ เ, เป็นนานๆแล้วแต่ยาตอมีเริ่มเพิ่มเพิ่มเพือสมองก็ดีเด็กทารกในอยู่ในท้องเนี่ยเขาไปตกแต่ น, เนะเอาดีความช่วยเด็กตรู้ใชมันไปตกตในในแต่งสมองเขาใต้โบลเลยแล้วคลอดออกมานี่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรอยากปนตปิสิตสถิตเจตค่ะคือเรากาลังชีว ม, มาก นี่เป็นคนทูงมาจากอะไมันใช่รเราสร้างหรืสร้างเราบางคนบอกไม่มีหรอว่ามีทหน้าไม่มีทราบหลังไม่มีหรอกตายแล้วเห็นมันไปเลยท่อ ม, มันไปไหนล่ะแล้วไม่เคยมาบอกรักกันขนาไหนไมเคยมไม่เคยมาบอกเลยฉะนั้นไม่มีตายแล้วคืได้ไหมนี่นี่มัมายังไงอาเป็นเรื่องของพอดีถึอใช่ไหม เราไม่ได้สร้างอัไรที่มุ่งมั่นเลยสร้างแต่คนที่ชอบสารพ่วยเหมือนคนปรบทสามการเข้ามาถุงแจกรีส่งกระกกระจกแล้ก็ต้องูกด้อะไรอะ่าเมันมาอย่างนั้นถาตกแต่อย่างนี้พอคลอดอมาถ้าคนโง่เยอะมันก็ไปแต่งสมองนั้นที่โง่ ออกมาก็เป็นดาวสินโตเลยก็มาจากอ a ไรน p ่เลยครับพ่อแม่ทำให้เหรอหรืว่าพ่อแม่จะทำลูกที่เป็นั้นให้มันทพ่อแม่ต้รู้ไปทราว่าตัวที่มันมาเกิมาไมใช่หมมันต้องมาเองนะการ้นต่ำามีกรรมเป็นของต เปคนกรรมที <t <t ่ทำอะหรสิตัวลูกเจ็บมามาตัรลูกเจบมาเลยอ่าตัวลูกเนี่ยเจ็บมามาเลยเดีนี้ตรของและทานบาคนกังเจ็บอยู่เนยตายไป้มันจะลาายไปหนไปไหนไปด้วยผมช่วยในเรื่ไม่ขนาดเดียวแต่มึงต้องไอนสอนตัูเนี่ยให้มีคนเนี่ยทารีทารีก็ดีนะในจิตใจงามใช่ไหมอ่ ถ้าผมเพี้ยนมาก็ทำให้กิจเต็มของทีมขงทไปเรื่อยแต่ตอนตาอมมดที่มันเดินมาก็สิ่งเราีเาไม่ได้กินหรอกถ้าสวัสดิ์้างได้าไม่ทาจิหรืออม่แลาอป่าใช่มิรไอ้นี่ไอ้นี่มนอนนีก็เจ็บตรงนะ ในค่ามดแล้วค่ า, า, ตาตไตได้นะต่อไปก็ค่าโวไนะที่ต่อไปคนนั้นที่ยกเปรี่ยนมากๆก็ค่าไยค้าไปเลยที่จะค่ากันอยน่นี้ก็เพราะตรงนี้ค่าทีนงค่าคนครั้งหนึ่งก็ตกใจทำ อ, อะไรนี่ถูอเป็ น, นเดือน ส, ส้งเดือนสิปีค่าไวไหวก็ไม่ธรรมาี่นี่ก็ต่อ ไปปอบชาวจิตใจใหใเ้เป็นเกของเจ้หานในกช่เลยทำพื้นก็ยังเกิดารมันก็ค่อยๆตกแต่งนิสัยใ้พวกเราคุ้นเคยตกทิศทางในนี้เป็นต้นมันตกเก่าอยงน้เลยตอมาก็มา ท, ท้องบรรดจแล้วเปิดของานี่เปิดสมุทรพรมนไรและมไม่มีการได้เสียเราเป็นอดีตทีิดี ลองถามแม่ดูแม่แมกูก็เดือดอยมึงเมาเยอะเงี้เออมีแต่ดีนะพอเข้าใจนะว่านี่คือชีวิตต่มมรอบองกกอ น, น, นี้ออกมาแล้วก็เป็นสอส่วนปรก็กันแล้วก็อยู่กั น, นมาเดียวนี้ก็คือชีวิตคือลมหายใจจริงๆขับลมหัยใจเม้่ไหรก็ถึงต้องตายไงท า, า, างเรจะไปทำในกรณ์เนอ๋อ หนือเอาจะรู้ว่าคนตายหรือเปล่าก็ต้องไปดูใช่ไหมต้องไปดูลงมาาแต่ทุกวันนี้ก็มีการพิสูจน์เยอะว่าโดยรรมชปิีหรอล่าถไม่มีลมกาแ่นนอย่างี้ต่เขารู้ว่าอาจไม่ตายถ้ามันมีลมอ่างนีก็ยัไม่ตายมาช่วยชีวิตไอันน้เรื่องของ หลักวิชาการอะไรางๆเเทคโนโลยีอะไรเข้าาเข้ไปแต่ว่าไปถึงขั้นนั้นไม่ได้ามีการวก็เป็นการจน้อมีนะทีนี้เราก็จะมาในเรองเวลาสินาที่เรจองอารมณ์มาต ทิมยมุนโศครับใ่แล้วมุนโบอกออว่าน่าขอมหัศจรย์ตนาอริยตนาไมีได้หกครับามีนภายในกายนียภายในกายมีมีห ก, น, ก, น, อ ก, น, หกนอกกายหกสอง น, นั้นอมอกันเป็นธาตแล้วก็เลยถึง เป็นอะไรันะเนี่ยมันเมองบวกกันมอะไรก็เป็นหลันแ ล, แ ล, แ ล, แล้วก็เป็นเมทนาอะไรก็ว่าันไปตามหลักของปฏิจจสมุปบานะอรมณคือเป็นสิ่งที่ถูกปลงต้องมตัวปลงลมันเป็นยากก็เปนนนันใีผู้รู้เราคือใจนะใจอ่าตัวรู้ เอาตัวตงตัรู้กันได้อ่าจ็ตก็ได้ใจก็ได้แต่ว่าธรรมะก็ใช้ตัวตรงเพราะอย่างที่ว่านี้ยทำไมถใช้ตัวรู้ทำเนไม่ใจต่บท่านที่ท่านบอกมาก็เพราะมันเป็นตัวแปรเชียวใจก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้รู้อารมณ์จิตคือผู้รู้อารมณ์ทำแปรนะลงไปไม่ได้แต่ไปทำทำแปร คิตคือกุลวังใจคือกุลวังรูปวิญญาณคือกุลวังเช่นตะกุวิญญาณก็ตะวิญญาณกันแล้ววิญมอยากไปดูต่สมาธิว่าไปรู้ตนิจจ์ใจได้ต่างๆนานาเนียไปรู้พบเกิดจากธรรมตาตามหงส์อะไานี้ต้องมุ่งทีะตะหนักใวิญญาณ แต่ว่าถาาณไม่เจะท <laughs> ี่ว่าเตไปเห็นตัวรูน้นนละ่นราตไป่าเห็นตรู้อมันมีคนหนึ่งเป็นด็อกเตอ ร, ร์เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ เ, ช, เช้าตอนเ้าไปฉันทที่อ่าการไฟฟ้าท่านด็อกเตอร์บอกว่าผมไม่รู้จักตัรู้ครับผมอยากจะรู้จักตัรู้ พอเดือนนั้นเขาไปทำงนานเขาเขาพาไปทองนานเขาถามกันว่าทำไมเด็กมาทำงานม า, น า, เ, าเข้าไปทำสบายเสร็จแล้วกลับออกงา น, นาเขากลัวมันเหมืให้เราก็ตั้งถามมาเรื่อยเรื่อยนต้นโตล่นสมุทรสงครามเห็นหน้าเลยัขาบอกเห็ใบหน้าการเห็นใบหน้านั่นแหละคือรู รู้ไปแล้วเราตาม ร, ร, นะนะรู้ไปนะ้น่เราพอใจเหล้วเราในที่คือกรู้นีห็นตัวที่เห็นไปนะนะั่นแหะคือตัวรู้มัรู้รู้ว่าในี่คนะืออะไรนั่นแหละคือตัวแต่แต่ เราแค่ต้องดูไปอยนะดูไปอยดูไปลอมันจะช่อยทับขึ้นทับเจ๊กขึนั้นัึ้เลยนี่กร้อยรเมากครับีรูอนี้นะเนนะคือรู้เล็กต้บไอยบที่ทำง่ายอันนี้ก็น่ามอกพวกา บางคนอาจะไม่รู้จว่าตรู้อยู่ไหนะแต่เราถ้าเราไปหาวิญญาณไม่เห็นนะอ่านบัพปรู้เราก็จะไปรู้ตัเนี้นี่คือคือวิญญาเราไปจัดรับวนี้คืญญาแต่ถ้าเราไปรูรู้เลยดูเนตัวรูตว้ตัวต่อน อารมณ์คือสิ่งที่ถูกตัวที่เขาไปรู้อารมณ์คือตัวรูนะ้และทีนี้อายะตะนะนี่ก็เป็นส่วนประกอบของกายนะนะะมีอยู่ในกายหกอย่างอยู่นองกายนอกกายกทีนี้เมื่อตายลกูกตัวรู้จะตกเมื่อตายเห็นรูกใช่ไหมตัวรู้เนี่ยตายเห็นลูปก็ตัวรู้เนี่ย ก็อยากจะรู้รูปที่ตายอย่างนั้นตัวรู้ต้องอยาก้ปต่อนะอยากจะรู้รูปที่ตายอย่างนั้นก็ไปแล้วเลยรู้รูปที่ตาย่างนั้นนี่คือสตินะโดยรูปที่ตายทีนี้แต่ละคำวิการการได้เป็นรู้นี้ไปแล้วก็รู้รูปที่นั่นคืออารมณ์เป็นอารมณ์ไหนะเป็อารนะไปเรื่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือเรื่อยๆยังไงคือถ้าไปเรารูปแล้วเรูารูปแล้วตัวรู้ก็เข้าไปดูรายละเอียดของรูปนั้นก็จะเห็นรูปนั้นว่าเป็นรูปอะไรบางทีก็เป็นแม่เราลูกที่ได้บางทีเป็นกระเป๋าเราบางทีก็เป็นอะไรของเราบางทีก็เป็นปิดามันดาเราบางทีก็เป็น ของคนอื่นไปก็เฉยไม่สนใจถ้าเกี่ยวกับเราก็เไม่นสนใจนะถ้าไปเห็นมันก็จะเกิดความสนใจแล้วก็จะเกิดโกรธทุกข์ใจหรือสูกใจขึ้นมาจากจาการเห็นทางนั่งถ้าเห็นพ่อเราถึงรถชนยกผู้ใหญ่เราก็ตกใจอย่างนี้ไป่อก็จะทำให้เกิดนี่ตามมา แต่ถ้าดาวนี้อย่างบั้งโอกาตบวนการยังดีนะตาก็ดีลูกหูก็ดีอะไาที่ัเป็นไปตามระบวนการที่บ้านนี้นะคือหนึ่งถ้าตายลูกต้องมีตอย่างรู้ว่าลูกนั้นคืออะไรแล้วก็ไปรู้รูกนั้นเมื่อเราเริ่รูู้นั้นตัวลูกเข้าไปดูลราได้เหตของทุกนั้นมีรั้เป็นรลบทำไมนะเป็นตรนที่พีกุดชอบเป็นตีนดีเพื่อ เด็กแต่ละคนก็รู้ว่ามันเป็นไเส็เชนเดียวกันถ้าเสียอรไปถ้าเป็นเสีงพิเหน่อยเราก็ไหสนใจตัวรู้ไม่นใจตัวรู้ขอยากจะรู้ว่างอะไรเราอยากรู้ก่อนทีนี้ก็ไปเริ่มรู้ดูสียงนั้นมันรู้รู้เสียงนั้นแล้วก็เสียงไ่เิดเสีอะไรเมันโอ้เราให้เป็นอะไรอย่างงี้ มันก็จะเกิอารมณไปดูแล้วเห็นถูกเขาหลังแต่มันก็ทำให้เกิดาร์กไปถึงนี่บรารเป็นรมจริงๆหูตาหูตาโกติเป็นไปในแบบเดียกันเลตัวที่เป็นวัตถุคือตัวอารมณ์อารมเกิดจากที่นอัตนาปจิณณ์แต่ รู้เข้าไปดูแล้วเขาทำให้เปิดับเพิ่มขึ้นถ้าไปเห็นเขาลูกถูกเขาตีถูกเขาหังแยแล้วก็เกิดความโกรธถ้าไปเห็นแล้วลกูกมันคุยกั น, นูดูแล้วเห็นเาโอ้รักใครกูเกี่ยงกันเราก็ดใจปีนใ จ, ใจความดีใจก็ดีคนดีใก็ดคนดีด ค, นดดคือา ก็เคยตั้งแล้วก็ตามไปแต่ส่วนมากก็เราจะไม่ไม่ให้มันหลับไปอ่ะบางีก็คิดอยู่อย่างนี้เลยอ่าเราไปยินว่าสามีเราไปคุยกับพอ่าที่เป็นใครคุยกับางบ้านอืนเป็นยางงางกันืใช่คัวกุย นเห็นไหมเป็นอารมณ์เกิดขึ muscle, ้นอย่างนั uh uh uh demi, uh ้นงไงต่มาเราก็ต้องยื่นสอบถามกับผูบาดเขาไปเข้ามาเป็นคนจริงจริงอารมณ์จะเป็นยงต่างๆนานาเหลาเราควรเห็นว่านี่คืออารมณกิดขึ้นามกระบวนการอย่างนแล้วเราก็แครบจิตนี้แล้วอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตาม การลงือตัวนึง2องีก่อนมันยังจำได้คิดมาทีใดก็ยังเจ็เออไปฆ่าเขาไปตีเขาไปอะไรเขาต่างนานาใช่นั่นทีไงพระเจ้าบอกว่าลงกิดึ้นแล้วก็ระกษาคุบาอาจารย์ท่านจะรอขี่หมูหลาขี่มาแหงวอกไวสาราเกิดขึนแล้วมันก็จบไปแล้วมันจบมันเกิดทีแรก มันก็เกิดไปแล้วไงเพราะเราก็ได้จำไว้อยู่แ ล, ยยย แ, ลยลแล้วเมื่อาจำได้แล้วเลี้ยงระกัดไลล้ยงมันท้งนันทมานไปแล้วก็มาไล่ยงไล่เลี้ยทีไรกเป็นทุกทุกทีร้องใหทุกครั้งในเรื่องที่มันเอาย น, นี้เป็นตนฉะนั้นพุทธเจ้าสอนเอาหบนีมาเตัู้่ละกอไปมันตั้งอยู่แค่นง แล้วมันก็ดับไปถ้าไม่ตั้งเลยมันไปเลยอยู่นี่มันก็ไม่มีทนไม่ไม่จะทำให้เราเกิดอะไรใหม่มาใหมแต่เพราะมันตั้งอยู่ในตัวราเหล่นีนน้มันต้องมีตั้าอย่นี้ย่นี่เจ้าของเราให้ตัสอนให้ตัดทิ้งทุกสิ่ทุกประการเกิอขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปหมดแล้วอขึ้นในนั้นดับไปดับไปจริง มันเหลืออยู่แต่ตัวรู้หราไ่เราทำแรยไงถึงจะสะระดับอารมณ์เาออกไปได้ทำยังไงถึงจะสะรดับได้อันนี้ต้องฝึกตัวเอต้องฝึกตันเองแล้วก็ไปเอยนอะไรดอว์าชเาเขาเถอะูดอย่างนี้เป็นไหมนัดทำใจก็ลองให้เป็นอย่างนี้เป็นไหมองดีผู้ชารู้ใจ เมียอาทิตย์ทูนี้คือมันเป็นตัวเด็นๆมีกิ่งอะไรพวน้ก็มีปัญหาัแน่ทิพย์นนี้เด่นๆพอที่จะยกขึ้นมานย่รอทำ้เข้าใได้ัดเจคือมีน้าแฟ น, เ, นเปนแฟ น, นผู้ชายน ะ, ยนะมีน้าแฟนมีคนใกลบ้านมาตีทักกลัว แต่นี่อันน้มัน uh, ก็เดี๋ยวสอนน่ะน้องเมาปรึกษาไอันีเคยมาปรึกษาเขาอกไปอกไปมันเขาเปลี่ยนได้นะเออช่าก็อายังไงไม่รู้มลอนี้กันอ่าเธอกผู้หญิงไห ผูตตรงเลยนะเคยและรไม่ว่าสู้หญิงนะคนหน้เข้าทัดผู้ชายมาได้โอ้ยเยอะเลยลูกเ่อแล้วทำไมเธอต้องไปบ่อยลแล้วไปจอมรุ่งหน้าด้วยไม่ใช่หอนะทำไมละ่ะและ้วันเราก็แค่นี้เองก็เริ่มไปโน้ แล้วเดียวไปยวมาเมียันก็เลิกันก็เลิกกันตัวขาเองก็ดีขึ้นาเป็นครอบครัวที่ดีกาทำไมไม่มองอย่างนี้ล่ะเราก็บอกนะฮะใช่ไคนจะเชื่อ่เนเนี่ยคือมันเราไม่ต้องการให้เกิดหรอกมันเกิดแล้วแล้ทำไงล่ะมันเกิดขึ้นแล้วทำไงล่่มีปัญญาบางทีก็ไปใช้บริการใช่ไหมผู้หญิง พวเราก็ร um, right? sí, ู okay. im, here, ้ก exactly. okay. ันอยู่ไม่ใช่เรื่องันตตะกอะไรที่ไหนโลกใช่มมันก็เป็นใช่หรืไม่ใช่นมันก็รู้ว่าไอ้นี่มันมีหัวเป็นร้อยพันๆนีมันก็ยังเป็นใช่เลยนั่นท่นใช่ไทำไมล่ะทไมานที่นี้มัเราเพราะยังด้วยนะรพูดให้ฟังว่านเ เราก็แก้ไขบางทีทำให้ใจขอกมราสบายขึย้นจริงๆไม่รุ่นายเราไปสามานอยา่างรวดเ็ได้่ะอะไรในชีวิตยืนมตาตะเก็มทสอนของหลวงพ่อเป็นวิปสมาตามพุทธเจ้าก็สอนอยู่เรื่องของศีลหา้าอย่างนี้เลทำาไม่ได้นกักปิดเพลหาเราก็ต้องยอมรับสภาพตัวเองของมันด้วยการพิจารณาจุดที่จะทำใจของเรก เย็นลงบาทีพวกอย่างนี้มันทำให้เย็นลงได้ผู้ผู้หญิงก็เช่นเดียกันความคแล้วพรยาพระพราพระญาญานระพระครองเท่าให้ได้บ a งท t มันเห็นผิดพระนี่อะไเนี่ยก็ให้อภัยกันไปมันเ็นตัวเราก็จะไม่ให้อภัไรสัอย่างเลยเราก็เป็นทุกข์ นะใช่ไหมอืมนอะัศลเปน็นเปื่องะไรอัโลตัวอารมณ์ก็คือถูกดูพูดถูกดูพูดพูถูก ร, กรูตัวที่เข้าไปรู้คือตัวดูก็จิตเนื้อใจนั่นแหละนะยิ้เมเปนตัวแล้วกเราลองไปก่อ คมเข้าใจดูแลแเหตุให้ได้แบบนะไปรู้ใหม่หลังจากจบนี้ไปเราเทียวเราต้องไ ป, ไปงรู้ใหม่เราเข้าใจเฉยๆขึ้นมาเมอชีวิตข อ, อ, อ, อ, อมามางเราไม่สองสองช่วงเป็นสองหนึ่งจิดสองกายมันมายังไงเราเขไม่รู้เมื่อมาแล้วมันเท่าไปเป็นหนึ่งยี่เนื้อเราก็อยู่กับเช่นนี้หละทุกวันนี้นะฮะอยู่แบนี้ กต่ประตยะน์ี่ว่ามันยังโยมมายังไปยางนี้เลยแต่้า่ากับทั้งหมดทั้งสิ้นทำยังไงเราจะเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ลองไม่ใช่เขาตั้งามาแล้วไม่เห็นว่าอันนี้สัจธรรมเป็นขึ้นตั้งอยู่แล้วเมื่อเราไปแล้วเราไปจริงๆนะคำผีที่เห็นอนะเห็นมื่ช้านี้ก็แ้วไปแล้วมันคายที่ใจเ ร, าจาเ ร, เรอย่เดียวทายังไงเราถึงจสวัดออจากใจไม้ได้ ที่มันมั น, น่าอายเยรวรไปยึดติวนี้นของเรานี่เป็นของของเราต่างนานาทั้งทนที่เกวมันใหญก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราควรไปยดติดอันนี้จะเป็นของสอนที่เราจะต้องไปทามเ ข, ข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่ามันต่างไปสใจหรือไม่ใช่ร ห, หรือมัน่าจะ ต, ต้องไปรู้ด้วยตัวเองว่าไม่ใช่ของเหล่าอย่างไหนเป็นตุ้งอนี้ต้องไปศึกษาให้กว่ที่ นั่นการแสดงธรรมี้จะพาในธรนาสู่ความสุการมีชื่อหนาต่อความสุขความสในช่งที้เจริญข้นทั้งหลายจะเกิดตอ